นัังอาชจปะปะตาสะมันตาอนุประริเยยุงนิปโปเทนตาจตุเดชาเอวังชาราจมัจจุจักอธิเอวังชาราจมัจจุจักเอาแค่นี้กันแล้วกัน แปลเป็นใจความว่าภูเขาสีลาแท่งทึบสูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาบทสัตว์ทั้งหลายแต่สี่ทิศให้เป็นจุนและวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ยอมทำลายชีวิตหรือว่าอัตภาพร่างกายของคนเราให้วิ เป็นจุนลวิจุนไปก็ออฉันนั้นไม่เลือกฉันวันนะจะเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพระมหาสารก็ตามเป็นพ่อข้าพานิชเป็นเศรษฐีขาบอดีหรือตลอดถึงเป็นกรรมกรคนขอทานก็ตาม ไม่เลือกเว้นเลยความตายไม่เลือกเว้น <c oughs> ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็พึ่งปงธรรมสังเวชลงในใจทำความเบื่อหน่ายให้ได้ในชีวิตนี้แนี่ยก็เมื่อเรารู้ว่า ร่างกายสังขารนี่มันเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้แล้วก็พึ่งทำความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของรพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก <c oughs> จึงจะได้รับความอุ่นใจถ้าใครไม่มีที่พึ่ง อันประเสริฐอยู่ในใจแล้วก็จะมีแต่ความสดุกหวาดกลัวต่อมรณะภัยเหล่านี้ยิ่งนักจิตใจที่ไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐนี่มันก็เหมือนกับบุคคลผู้มีบ้านมีเรือนซึ่งไม่มีฝากัน ไม่มีประตูหน้าต่างปิดเปิดมีแต่ตัวเรือนเฉยๆไม่มีฝากันเมื่อเป็นเช่นนี้โจรขมโมยบวชสัตว์ร้ายอะไรต่ออะไรมันก็ร่วงเข้าไปได้ไปทำลายความสงบสุขของผู้อยู่อาศัยบ้านเรือนนั้นให้สูญสิ้นไป อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่สร้างที่พึ่งของตนให้มั่นคงถาวรเช่น น, นี้เมื่อเวลาภัยทั้งหลายมาถึงเข้ามันก็ต้องวันไว้ไปตามภัยเหล่านั้นกีเลสสามาณตันหาอุปาทานอะไรทมันเกิดขึ้น ครอบงามจิตใจก็ปล่อยให้มันครอบงามไปจิตใจก็วันไว้เพตามอำนาจของอวิชชาตันหานั่นนั่นผู้นั้นก็ได้ประสบแต่ความทุกข์ใจเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ใจ <c oughs> เพราะว่าใจนั้นไม่มีอิสระเสรีใจไม่มีที่พึ่งเหมือนยังบุคคลที่อยู่ในเรือนที่ไม่มีฝากรไม่มีประตูเมื่อโจรขโมยมาก็มีแต่สะดุ้งหวาดกลัวไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยไม่มีอาวุธคือปัญญาอนีนเน้เมื่อมีพ่าศึกคือกิเลสมา รุป ล, ลานจิตใจนี่ก็ยอมสะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของกิเลสเหมือนกับคนสะดุ้งหวาดกลัวต่อศัตรูที่มันจู่โจมมาและตนไม่มีที่กำบังตัวเลยก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้พึ่งมีสมติธรรมะเชญะมารลึกเข้ามาหากาย หาใจนี้ให้ได้ว่าร่างกายจิตใจนี่มีภัยอยู่รอบด้านมีภัยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่อย่างนั้นอย่างภัยในร่างกายนี่ก็มีชาราความแก่ความทุดโทมเนี่ยบีบคั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่มันค่อยบีบคั้นเข้าไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อ ถูกชะลาภัยคุกคามบีบคั้นเข้าไปร่างกายนี่ก็เสื่อมคุณภาพลงแต่ก่อนแข็งแรงดีก็ถูกชะลาภัยมันครอบงำเอาเบียดบีบคั้นเอาสภาพของร่างกายนี่ก็อ่อนเพลียงลงไปไม่แข็งแรงอยู่เหมือนแต่ก่อน <c oughs> ทีนี้ก็เลยเป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่างๆโรคภัยก็สามารถเบียดเบียนได้ที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงมันไม่มีกำลังเข้มแข็งนั่นแหละเหมือนควมว่าภูมิคุ้มกันนี่ มันก็หมายถึงคุณธรรมอันดีงามเป็นภูมิคุ้มกันของดวงคิตเพื่อไม่ให้กิเลสบาปธรรมมันครอบงมเอาส่วนภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นมันก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่าหากคนทั้งหลายก็ไปสร้างตั้งแต่ ภูมคุ้มกันของร่างกายคือว่าหายุกหายามาเยียวยารักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้แต่แลไม่เยียวยาจิตใจตัวเองใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างไรก็ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้น ดังนั้นเนี่ยคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ <c oughs> อันร่างกายนี่แม้จะเยียวยารักษาด้วยโอสถขนาดเอกอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ฟังอ่ะมันก็ยังํำรุดทุดโทมอยู่นั่นเนี่ยถึงว่ายาจะช่วยรักษาโรคภัยนั้นหายไป มันก็หายไปช่วระยะหนึ่งเท่านั้นขั้นต่อไปมันก็มีโรคอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาร่างกายอันนี้ถ้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันจะไม่ตายเลยไม่แตกไม่ทำลายแต่เทมันจะแตกทำลายก็เพราะมันมีโรคภัยมาบีบคั้นเอาเบียดเบียนเอา <c oughs> ดังนั้นเมื่อมาพิจารณา เห็ดูความเป็นมาของร่างกายอย่างว่านี้นะมันยึงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจของผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นแล้ว <c oughs> แต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจ ของคนไม่มีปัญญาคนไม่มีความเพียรเพ่งพินิษฐ อ, อ, อย่อมสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนของตนก็จริงได่มาหวงเห็นไว้พยายามบำรุงแต่ร่างกายนี้กันไปไม่บำรุงรังจิตใจด้วยศีลธรรม ด้วยบุญกุศลโดยเข้าใจว่าเมื่อทนบำรงร่างกายนี่ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและตนก็มีความสบายเมื่อเข้าใจไปอย่างนั้นเหตุานั้นจึงคิดบำรุงแต่ร่างกายความเข้าใจอย่างนั้นมันก็ถูกเป็น บางแง่บางมุมเท่านั้นไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่ายกยาสำหรับบำบัดโรคภัยในร่างกายนั้นจะมาบำบัดโรคทางจิตไม่ได้เลย <c oughs> บําบัดไม่ได้บําบัดโรคทางจิตไม่ได้เลยในสิ่งที่บําบัดโรคทางจิตนั้นได้แก่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่ท่านเรียกว่าโอสัตถังอุตมังวรังธรรมะโอสถผู้ใดมีธรรมะโอสถอยู่ในใจ ชื่อว่าเป็นมงคลชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลอันสูงส่งอยู่ในใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้พยายามบำบัดโรคทางจิตใจนี้ให้ได้อย่ามัวเมาประมาทกามัวเมาประมาทอาศัยตั้งแท่ กิเลสตัณหาเป็นเครื่องอยู่ในใจกิเลสตัณหามันก็พาดวงขีดนี้ล่องลอยไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยพาไปเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ชาติใดทำกรรมอันชั่วลงไปตายแล้วกรรมชั่วก็นาไปสู่นรกอาบา ย, ยูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นาน ถ้าชาติใดทำบุญกุศลแต่ว่าทำแต่เพียงแค่ว่าบุญกุศลชนิดที่พาให้ท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในสงสารสเฉสีบุญกุศลนั่นก็จะนำไปเกิดสวรรค์บ้างไปเกิดเป็นคนดีมีความสุขความเจริญด้วยลาบยศสนเสริญแต่กิเลสไม่น้อยเบาบาง มีแต่ผลบุญมันอำนวยความสุขให้ทางร่างกายมนิบุคคลก็เลยมันหลงติดความสุขชั่วคราวอ น, นั้นเสแล้วเลยสำคัญว่าตน น, นมีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรแล้วตอนนอนอยู่บ้านอยู่เรือนเตียงนอนมีโซฟา มีที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มร้อนมาก็มีแอร์เย็นอหนาวมาก็มีผ้านวมหม่มเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มีประตูปิดเปิดกลองกันโจรขโมยไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตนก็มีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะไปฝึกผลอีกจะไปหาความสุข อื่นอีกคนผู้ติดผู้หลงผลบุญหมายกว่าอย่างนั้นเนี่ยหลงผลบุญที่ตนทามาแต่ก่อนเข้าใจว่าบุญนี้จากอำนวยผลให้ตนเป็นสุขยืดยาวนานต่อไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าอันเข้าใจไปอย่างนั้นนะแท้ที่จริงแล้ว บุญกุศลที่พวกนั้นทามาในชาติก่อนมันมาให้ผลเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นแหละเมื่อหมดหมดบุญเก่านั่นแล้วชีวิตนี้ก็แตกดับทำลายไปบุญเก่านั่นก็หมดไปถ้าผู้ใดไม่ทำบุญกุศลใหม่ไว้มันก็ไปทำบาปบาปมันก็ไปฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิ นี่ยมันเป็นอย่างนานชีวิตของมนุษย์เรานะถ้าพรสะพุทธศสนสมบูรณกุศลไว้โดยมีปัญญาสมาธิธิเห็นชอบในใจของตนว่าเห็นเห็นเห็นชอบตามที่แสดงมานั่นเลยเห็นว่าบุญกุศลที่มันมาตกแต่งร่างกายให้นี้มันมีขอบเขตจำกัดเราจะไว้ใจไม่ได้เราจะสร้างบุญกุศลใหม่ เพิ่มเติมไว้เผื่อว่าบุญเก่าหมดบุญใหม่มันจะได้ให้ผลสืบต่อเราก็จะมีความสุขเรื่อยไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพา่นาเห็นอย่างนี้เลก็จึงไม่ได้ระมาดไม่ได้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในความสุข เนื่องด้วยการกินน่วงเนื่องด้วยการนอนเนื่องด้วยเครื่องอำนวยความสะ ด, กะ ว, สะดวกเป็นมีสิ่งที่กันไม่ให้ร้อนกันไม่ให้หนาวมียาโอสดคอยระวังรักษาไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเปลี่ยนร่างกายนี้ได้อยู่มีอยู่ สิ่งเมื่อนี้ล้วนแตอ่อำเนวยความสุขให้ชั่วคราวเมื่อหมดบุญเก่าแล้วความสุขเหล่านี้ก็หายไปตามการหมดที่นอนหมอนมุง้งอ่อนนุ่มนี่นก็กลายเป็นคงแข็งกระด้างไปความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นมาเมื่ อ, เ ม, อเมื่อบุญใกล้มันจะหมดแล้วโลกใครอะไรมันก็บีบคั้นเข้ามาที่นอนก็ไม่เป็นที่สบาย อาหารก็หมดรสหมดชาติไม่ค่อยมีรสแล้ววันนี้รสอาหารก็น้อยลงน้อยลงสังเกตดูคนอายุมากแล้วรู้กันได้ทั้งนั้นเละทบทวนดูเบื้องหลังแต่ยังหนุ่มทานอาหารหมดมากอายุมากเข้ามาแล้วอาหารหมดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเลยมากอะไรเลยนี่เท กำลังเลี้ยวแรงอะไรมันก็ลดน้อยถอยลงจะไปทำงานหนักกรักกรรมเหมือนใจยังหนุ่มไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อบุญเก่ามันร่อยหรอลงไปแล้วอาการของร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปตามๆกันเลยจะต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้พิจารณาแล้ว พอทนได้กำลังแข็งแรงมาแล้วอย่างนี้นึกว่าทนจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายง่ายก็เพลินแบบนี้นะเต้นสามสองออกสามว่ารําที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นเลยวันดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเสีพลาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่น นั่นเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทในชีวิตไม่ได้พิจารณาดูชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันไม่ได้พิจารณาเลยเหตุดงนั้นจึงได้เพลิดเพลินนะผูเพลิดเพลินฉะนั้นผมนก็ทำชีวิตให้เป็นเหมือนไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลไม่มีโอกาสได้ฝึกผลจิตใจ ให้บริสุทธิ์ปราศจากก่เลสปราประทับกรรมมันชั่วต่างๆคนเราเมื่อเพลินไปอย่างนั้นมันมันจะมาให้มันทำชั่วนะไม่ได้นะ อ, อ่อมันต้องทำชั่วดื่มสุรายาเมาคันชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรไปทั่วนะคนเราถ้าเพลิดเพลินแล้วนะออแล้วก็ทำชั่วอื่นๆอีกเยอะแยะ บุคคลที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ฝึกใจตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยางได้ทรงตรัสว่าคนไปตกนรกนี่เหมือนเข้าสารยัดไทไปแออัดกันอยู่ในนรกคนขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาวัวคนลงนรกเหมือนกับขนวัว มันมันมันเต็นแน่เป็นได้นะแน่นอนเลยเมื่อเราพิสูจน์ดูในปัจจุบันนี้ก็พอรู้ได้เลยคนที่ทำความดีมีน้อยเดียวหนึ่งคนทำความชั่วดมากมายเหลือเกินนะายเพราะว่าคนไม่ฟักใฝ่ในการทำความดีในการผึกตนนะมีมากเข้าใจว่านน่นก้าสิเปอร์เซ็นต์นน่ะ คนที่คิดฝักใยในการฝึกผลอบรมต์ตนตามขั้นตอนตามความสามารถอันนี้มีอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในโลกอันนี้นะอัน น, นีเพราะฉะนั้นคนมันถึงไปในรลกเหมือนกับขนวัว น, นีน่อันนีนนนน้มันยังขึ้นสวรรค์เปรียบได้กับเขาวัวอัน น, น แต่เรื่องอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่เชื่อเลย น, ะนั่นแหละเพราะว่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้คร่ควรเหตุผลอะไรหรอกคนมีปัญญานี่เขายอมมีเหตุมีผลนะนนเหตุผลก็อย่างที่ว่านี่แหละเราดูที่คนในโลกนี่ คนดื่มเหล้าเมาสุรานั้นมากต่อมากนะ น, นั่นนยคนที่ไม่รักษาวาจางตนไปเที่ยวหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นนกก็มากมายเหลือเกิ น, นคนที่ไปเที่ยวแสบประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมในเมียของคนอื่นในผัวของคนอื่นอย่างนี้มีมากมายนั่นนย บุคคลผู้ที่ไปเที่ยวหาอบายแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นนี่ก็มีมากมายแย่งที่นาที่สวนแย่งในการซื้อการขายผู้ผู้ใดเขาตั้งหลักแหล่งค่าขายมาแล้วเขาเจริญขึ้นไอตัวมาทีหลังไม่ทันเขา เกิดพญาบาดจองเวรขึ้นมาเอาถ้าเราไม่เก็บเจ้านี้ซะแล้วการค้าของเรานี่ย่อมไปไม่รอดอะกะไปจ้างมือปืนไปทำลายร่างผานเจ้าของกิจการค้าอ น, นันเสียให้ย่อยยับลงไปแทนที่ตนเองจะเป็นผู้ได้มีโอกาสได้ทำการค้าให้เจริญรุ่งเรืองไป ไม่มีทางเด็กตองเด้ไปติดคุกติดตารางอยู่ในหัวโตหรือมเฉะนั้นบางกลายมันก็ถูกตัดสินยิงเป้าเสียเลยเนี่ยมันเข้าใจผิดอ่ะมนุษย์อ่ะมันไม่ทบทวนเลยเอ๊ะถ้าเราไปฆ่าเขาตายแล้วเราไม่ติดตารางเหรอหรือเราจะไม่ถูกยิงเป้าหรือเราเราจะหลีกพ้นได้หรอมันไม่ทบทวนเลย นี่เลยทำไปด้วยอำ น, นาจแห่งโลภโมหะโทสะนี่ทำไปด้วยอำ น, นาจของกิเลสดังนั้นแทนที่จะได้ความสุขความเจริญกลับได้รับความทุกข์มากทวีคูณยิ่งกว่าทำการค้าไม่เทียมทานเขานั่นหลายร้อยเท่า ถ้าผู้ใดเชื่อบุญเชื่อกรรำของตัวเองกระตัวเองไม่เทียมเขากเพราะบุญตัวมันน้อยว่าฐนาตนมันยังอ่อนอยู่เขาผู้จเจริญรุ่งเรืองก่อนอันนั้นคราบบุญเขามากถ้าผู้ใดเชื่อบุญเชื่อกรรมอย่างว่านี้มันก็ไม่เบียดเบียนกันตนมีน้อยก็ใช้ใจ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้อ่ใช้ใจ่ายไปตามมากนั่น มันก็ไม่มีเวรมีกรรมอะไรต่อกันเลยไม่ได้เบียดเบียนกัน <c oughs> คนเราอย่างนี้แหละสะรุปลงเร็วๆว่าเป็นผู้ไม่ผึกผลจิตใจตัวเองนี่มันเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นมากมายไกลคลองเลือกเกินจิตที่ไม่มีคุณธรรมมันดีงามโยภายในแล้วเป็นที่พึ่งแล้วนะ จิตนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยถ้ามันไม่สนใจในเรื่องบุญกุศลแล้วมันก็ต้องหมุนไปสนใจในเรื่องบาปภายนอกถ้าบุคคลนั้นไม่ไปคบหาสมาคมกับนักปลา์ดบัณฑิตแล้วมันก็ต้องไปคบกับคนผานมันจะอยู่โดดเดียวโดยเดียวไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานน้นให้สแสวงหาคบแต่คนแต่บัณดิตนักปลาผู้กระฤพิดชอบด้วยกายวาจาใจมันถึงจะเป็นมงคลจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงนำชีวิตของตนให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่ก็เพราะอาศัย การครบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์กงกันข้ามไปคบหาสมาคมกับคนพานคนพานก็มีแต่ชักจูงให้ทำความชั่วให้ยินดีในกรรมมันชั่วเรื่อยไปนี่ตายแล้วคนไม่อยู่ในโลกอบายภูมินี่คนเราเนะี่ยมันจะทำจิตให้ว่างๆอยู่เฉยไม่ได้เลย เว้นเสียแต่ท่านผู้ละบาปหมดแล้วและบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มและอย่างนี้ท่านทำจิตให้ว่างได้สบายอันนั้นแน่นอนเพราะว่าจิตที่ควรทำท่านทำเสร็จหมดแล้วจิตอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นท่านยังสามารถทำจิตให้ว่างอยู่ได้เลย หรอว่าอยู่กับความว่างอันนั้นเลยอยู่กับความไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรทั้งหมดในโลกนี้อาศัยโลกนี้อยู่แต่ไม่คลองอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามันอิ่มหมดแล้วบาปขอรัเสียหมดแล้วบุญกุศลก็ทำให้เต็มหมดแล้วแต่อย่างนี้มันก็อิ่มหมดแล้วมันจะปฎถนาอาอะไรอีกอะนี้ น, น่ท่านผูเ้เสนั่นแหละเรียกว่าอยู่ได้โดยลำพังเลยว่านี้นะอยู่ได้โดยลำพังของจิตเลยดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจฝึกตนไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ดังแสดงมาขอยุติตรงเพียงเท่านี้